สำรวมจิตดีนะสัรวมจิตดีๆนะอย่าให้จิตบกแวกนะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าจิตของพระองค์มีสงบเต็มที่เลยนะไม่มีอะไรมีอิทธิพลต่อจิตของพระองค์ได้เลยในเมื่อเรามาถึงที่ปรินิพพานเนี่เนี่ยเป็นสังเวชนียสถานสุดท้ายแล้ว แล้วก็เป็นสถานที่ที่เราจะต้องน้อมเข้ามาระวังรักษาจิตนะให้เป็นกลางนะเวลาเราฟังทำไปถ้าจะมีทางร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายนะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ยินดีไม่ยิน้ายให้ได้นะให้จิตเป็นกลางให้ได้ไม่คล้อยตามพวกอำนาจของ ความรู้สึกสังขารอะไรที่จะมาปูงแต่งนะเหมือนกับจะเป็นปีติเป็นอะไรอย่างนี้ให้เรารู้สักแต่ว่ารู้เลยนะเป็นเครื่องมือฝึกจิตเลยนะไม่คอยตามนะไม่คอยตามรักษาจิตอย่างเดียวเลยพรนะพุทธเจ้าต้องอยู่เหนือปีติอยู่เหนือประสธิอยู่เหนือสมาธิอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราให้ได้ เรามายัางที่นี่ถ้าจะเป็นอนุสอนแกจิตใจเราก็คือว่าให้เราได้ทบทวนว่านี่แหละคนนี้ตั้งแต่เกิดมามีจิตใจมุ่งมัน่นที่จะพ้นคว้าให้รู้ว่าจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ยังไงหมายความว่าที่เราเกิดมานี่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เราเกิดมาได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางรู้ได้รู้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีแต่ความหลงหลงเวียนว่ายตายเกิดบุญเวียนเกิดตายเกิดตายแล้วแล้วเราหลอกแล้วทุกคนก็เป็นอย่างนี้ด้วยจนมีพระภูมิติศเจ้าอุบัติขึ้นมาอยากจะค้นคว้าเรื่องนี้เพราะนั้นในสมัยพระ อ, องค์ยังไม่ตัดสรู้นี่พระ อ, องค์ก็ทบทวนเรื่องนี้เลยนะว่าเออ ชีวิตของเรานี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเนี่ยเราจะออกจากสิ่งนี้ได้ยังไงมันจะพ้นได้ยังไงเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายว่างเปล่าไม่มีอะไรมีแต่ความหลงเท่านั้นเองหลงหลงหลงแล้วไม่รู้ว่าหลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะคิดได้ไหมเราจะเข้าใจไหม ขนาดมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสอนเราเรายังไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันก็ยังอยากหลงอยู่ยังพอใจเกิดพอใจตายอยู่งี้วันนี้เราจรึงได้มาอย่างสถานที่แห่งนี้ให้รู้ว่านี่แหละข้างหน้านี้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานที่นี่หมายว่ามนุษย์คนหนึ่งหลังจากที่รู้ความจริงละ ว่าจิตใจเนี่ยถ้ามันหายโง่หายหลงเมื่อไหร่มันจึงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมันจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือไม่ต้องมาเกิดอีกมันจึงจะพ้นได้แม้ชาตินี้ก็ตามเราไม่กังวลกับความเกิดไม่กังวลกับความแก่ไม่กังวลกับความเจ็บไม่กังวลความตายนี่คือพ้นตั้งแต่ชาตินี้เลยนี่ต้องอย่างนั้นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาที่จิตของเรากระตุ้นจิตของเราให้ได้ให้รู้ตามพระพุทธเจ้าให้ได้แก่นแท้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ให้สนใจว่าเราเกิดมาจากไหนตั้งแต่ต้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วหลงหลงวนเวียนหลงเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเราไม่มีที่สิ้นสุดเลย จนกระทั่งพระพุทธเจ้านี่แหละทรงตัดสรูย์รู้ว่าจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ได้อย่างไงนั่นก็คือจะต้องมาเจริญสติเนี่ยพูดเข้ามาหาจิตเข้ามาหาภาคปฏิบัติจเจริญสติจนมีสติควบคุมจิตได้ไม่ให้จิตมันหลงไปหลงไปยึดนั่นติดนั่นขอน้อนี่เพราะว่าอันนั้นแหะเป็นเหตุทําให้มันเวียนว่ายตายเกิดเราจึงต้องควบคุมจิตของเราเอาไว้ที่เรามาที่นี่ก็มา เพื่อกระตุ้มจิตให้เราระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองระลึกถึงพระองค์ขึ้นมาก็คือเล่นลึกถึงคําสอนของพระองค์ว่าพระองค์สอนอะไรสอนยังไงเพื่ออะไรกันแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากการมานี่ได้ยังไงเราก็จะต้องประมวลเข้ามาที่จิตของเรานี่ว่าเออพระองค์เนี่ยอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนเราใหา้หายหลงหายโง่หายา ห, ายงาหายลงหลงว่าชีวิตเราเนี่ยมีจริงต้องเรียนไหตายตเกิอดอยู่เท่านั้น เพราะมีความหวังอยู่ว่าจะเกิดแล้วจะจะมีความสุขส่วนคนที่ทุกข์ตกเกิดมาแล้วอยากลาอยากรวยคนที่พิการก็อยากบริบูรณ์สมบูรณ์ก็เลยเวียนไหวตายเกิดคนที่เป็นคนธรรมดาก็อยากเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นเทวดานั่แหละคือความอยากเวียนไหวตายเกิดมันอยู่ในจิตของทุกคนอรกมาที่นี่พระพุทธเจ้านี่พ้นจากการเวียนไหวตายเกิดแน่นอนพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดคือยังไง ก็คือนี่แหละสำรวมจิตเนี่ยพระองค์ก็รู้ว่าจะต้องรักษาจิตให้เป็นสมาธิก่อนพระองค์ละลึกได้ว่าทางที่จะลุดพ้นไปเนี่ยต้องทำจิตให้มีสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้มั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นไม่ให้มันไหลไปกับอารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ให้มันหวั่นไหวไม่โยคลอนไม่แส้ทายไม่คอนแทนให้มั่นคงมีหลักปักหลักแน่ๆอยู่ อะไรเกิดขึ้นรู้เห็นรู้เห็นว่าโออมันเป็นเกรริดแล้วก็ดับแค่นั้นเองเกรริดแล้วก็ดับเพราะนั้น จ, จิตเราแน่วแน่เนี่ยอย่างสิ่งแวดล้อมข้างนอกเป็นยังไงเ็เรื่องของมันเรื่องของมันเราก็รักษาจิตได้เดี๋ยว ER ุ่นวายมันก็เป็นธรรมดาเหมือนเรานี่แหละเราก็ตั้งใจฟังเพราะเราอยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาก็ทําไปว่าอันไหนมันเป็นบุเป็นกุศลถ้าคนไหนมันไม่รู้ก็ไม่รู้ทางพระพุทธเจ้ากอ็อยากทาพิธีนั่นพิธีนี่ อยากกราบอยากไหว้อยากจุดธูปบูชาอยากถวายผ้าหมอยากจะทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าบุญใหญ่บุญมหาศาลเอามือไปรูบไปไล่ร่างกายบา้างเท้าบ้างพระบาทเอามาลูปไลกตามหัวตามอะไรก็หวังหวังว่ามันจะเป็นบุญแล้วบุญมันอยู่ที่ไหนอ่ะเ้าสอนบุญคืออะไรบุญคือเครื่องชาระจิตเห็นไหมถ้าเข้าใจบุญคือเครื่องชาระจิต มาชำระจิตเรานีิไม่จิตของเราวันไห้ไม่จิตเรากลัวไม่จิตเราต้องรูไม่จิตเราซัด์สยไม่จิตเราไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้ให้จิตอยู่กับตัวเราแล้วก็ให้แน่วแน่ด้วยให้มันปากหลักเข้ามาอยู่ในจิตเมื่อปากหลักแล้วจิตก็เป็นจิตเข้ามาจนจิตเป็นจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ อารมณ์ข้างนอกก็ยังอยู่ไม่ใช่ไม่มียังอยู่เหมือนเดิมแต่จิตเป็นจิตจิตไม่ยินดีจิตไม่ยินร้ายจิตเป็นอุเบกขาจิตก็มีความพร้อมที่จะรู้ความจรงิงแค่นี้ก็เริ่มเริ่มสัมผัสกับคุณ ส, สมบัติของพระเจ้าแล้วคุณของพระเจ้าเนี่ยก็คือสมบัติกับความสงบสัม ผ, สผัสกับความสงบสัมผัสกับความไม่ยินดีไม่ยินร้ายสัมผัสกับความเป็นกลางนี่แหละเข้ามาทางสายกลาง เงียบแก่นแท้ของคําสอนของมพระเจ้าแล้ววิธีลีตองอะไรมันมีแต่จะดึงเราออกไปมิเอะดึงออกไปเดี๋ย ว, วไปทํานู่นเดี๋ยวไปทํานี่วิ่งไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้แล้วมันได้อะไรอะ่ะได้คือจิตเราแสียสายไปจิตเราไหลไปจิตเราเพลินไปจิตเราก็กังวลขึ้นมากังวลขึ้นมาเอาตอนนี้เสียงดังหน่อยเราก็ฟังเสียงไปด้วยแล้วกันรักษาจิตเราไปด้วย ใจนะเรามีหน้าที่สำบรณ์จิตใจนี่แหละทำให้เราได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาทำไมพระพุทธเจ้าจึงอย่าจะสอนให้สาวกของพระออรรักษาจิตให้ดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมากมายหลากหลายมากเรายังมีชีวิตอยู่ก็อย่างนี้แหละมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเนี่ย เสียงก็ทั้งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเสียงก็ยังคงเป็นเสียงอยู่อย่างนั้นน่ะสาคัญตรงที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไปเอาเสียงเ ข, ขงเา้ามาลบปวนตัวเองไหมไอ้จิตของเราเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเป็นตัวอยู่ไหมไอ้เสียงมันมีอยู่ในธรรมชาติเสียงดังบ้างเสียงค่อยบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เสียงนั่นน่ะมันมีอิทธิพลต่อจิตเราไหม เพราะอะไรมันจึงมีที่ทนต่อจิตเราเพราะจิตเราอยากให้มันเงียบจิตของเราอยากให้มันหยุดจิตของเราไม่อยากให้มีเสียงจิตของเราอยากให้ได้ยินเสียงที่เราชอบใจเราอยากฟังธรรมะเราอยากได้ยินเสียงธรรมะเป็นภาษาที่เราเข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีเสียงดัง มีเสียงที่เราไม่เข้าใจคนที่เขาออกเสียงเขาก็มาสแสดงความเคารพบูชาตามภาษาของเขาตามธรรมเนียมของเขาตามที่เขาคิดว่าดีที่สุดของเขาแต่จิตของเราวุ่นวายไหมจิตของเราหวั่นไหวไหมมันกระทบกระเทือนจิตเราไหมมันอาจจะกระทบกระเทือนร่างกายแต่ว่าส า, าจิตไว้ถ้ากระทบก็รู้ว่ากระทบยินดีก็รู้ว่ายินดี ยินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายนี่ต่างหากที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพ็คือตรงเข้าหาแก่นแก่นของการปฏิบตัติเข้าหาจิตรักษาจิตไม่ให้จิตเราหลงยินดียินร้ายถ้ามันยินดีก็ยอมรับว่าจิตของเรามันยังยินดีอยู่ก็รู้ว่ามันยินดีรู้ว่ามันยินดีไปเรื่อย ถ้ามันไม่ชอบใจมันยินร้ายก็รู้ว่ามันยินร้ายรู้ว่ามันยินร้ายแค่รู้แค่รู้ไม่ใช่อยากให้เสียงดับไม่ใช่อยากไม่ไปห้ามมันว่าต้องไม่ยินดีนะต้องไม่ยินร้ายนะไม่ใช่แค่รู้แค่รู้เดี๋ยวมันจะดับของมันเองเราแค่รู้แค่ดูแค่เห็นเพราะนั้นมันจะรู้จะเห็นเนี่ยมันต้องสํารวนประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาที่จิตของเรารักษาจิตเราไว้เดี๋ยวคลมต่อไป ปุมใหม่ก็เข้ามาอีกเสียงก็ไม่มีทางที่จะเงียบสงบลงไปเพราะตางคนต่างก็เคารพศรัทธาเรื่องสายในพระพุทธเจา้าก็มาทำตามที่ตัวเองคิดประดีที่สุด<ะ>บางคนก็เอาทูปมาจุดบางคนก็กราบไหว้บางคนก็รูปคาตรงนั้นตรงนี้เอามารูปไล้ที่หัวบางคนก็เอาผ้ามาถวายเอาดอกไม้มาถวายทูปเทียนถวายบางคนก็เอามา เป็นวาจาบูชาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาสวดคําสวดนั้นก็คือเป็นคําที่ที่สําคัญก็คือเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นประโยคสุดท้ายเขาเรียกว่าปชิมวาจาเป็นวาจาในเวลาสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานก่อนที่พระองค์จะตายพวกนี้ไได้สั่งเสียสาวกของพระองค์ที่แวดล้อมอยู่นั้น เป็นคำสั่งเสียเหมือนกับพ่อแม่าจะาตายจากลูกแล้วก็ต้องเลือกสรรคำพูดที่ดีที่สุดสั่งเสียลูกคำสั่งเสียของพุทธเจ้าที่สุดท้ายที่สุดก็คือว่าหันด า, ดานิพิขเวอามัญตยามิโวดูก่อนภิสษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า วิยะธรรมมาสร้างฆ่าราสังขาราขาทั้งหลายมันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอปมาเดนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอมไม่ว่าความเตือนเป็นคําเตือนว่าบัตรนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบัตรนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าเหมือนตอลเามาที่เนี่เหมือนคําพูดนี้มันยังก้องอยู่ ปันนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรมมาสร้างฆ่าราสังขารสังขารก็คือขันห้าเหล่านี้แหละทั้งร่างกายทั้งไอความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้น่ะล้วนแล้วแต่มันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ไดีอยู่ตลอดไปจึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนคื อ, อยังไงสำรวมจิตเอาไว้มีสตริรักษาจิตเอาไว้เห็นไหมคําพูดของเราตรงเมหาจิตรักษาจิตเอาไว้ไมห่หลงยินดียินร้าย จนจิตมันมั่นคงขึ้นมาให้มารู้ความจริงรู้ความจริงแล้วจิตปล่อยวางไม่เอาเรื่องราวข้างนอกเรื่องคนนั้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องลูกบ้างเรื่องกินบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสเอามาลบกวนจิตตัวเองเอามา บ, าบักบีบคั้นจิตเอามาทับถมจิตทําให้จิตเราเป็นทุกบีบคั้นถูกบีบคั้นถูกทุกบีบคัน้นพอลมานจิตพ ร, รมานใจอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วคือยังไงอ่ะ ตัเรานี่แหละไม่ปฏิบัติตามพระองค์มัวแต่จะไปพิธีกรรมนู่พิธีกรรมนี่ไปนั่นไปนี่ทะเลทลายออกไปหมดเลยแล้วจิตตัวเองอะ่ะจิตเนี่ยคุมอยู่ไหมรักษาอยู่ไหมมันอยู่ไหมมันมาที่นี่แล้วเนี่ยจิตมาด้วยไหมเราเอาร่างกายมาเคารพบูชาพระเจ้าจิตเราบูชาด้วยไหมเนี่ยถ้าเราทําตามพระพุทธเจ้านี่แหละประโยชน์ต้นประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือยังไง ถ้าหาว่าเอาธรรมดาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเห็นอกเห็นใจกันไม่บิยดเบียนกันมีน้ำใจต่อกันให้อภัยกั น, เ, นเมื่อเรามาที่นี่เราให้อภัยหมดเขาเสียเสียงดังบ้างเสียงค่อยบ้างทำอะไรผ่านไปผ่านมาแค่จิตของเราเนี่ยแหละไม่ไปยินดียินร้ายรักษาจิตเอาไว้มันก็ไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่นแล้วไม่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกแล้วเราก็มาอยู่กับจิตเนี่ยมันก็มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกมันคุมจิตได้แล้วจิตมันมั่นคงแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตัวจิตเนี่ยมันจะเห็นน่ะเห็นก็คือว่าเรามีร่างกายเนี่ยในร่างกายเราก็จะมีระบบของมันทำงานไปตึกตักตึกตักตึ๊กตักตรงนั้นตรงนี้เครียดตรงนั้นตรงนี้บ้างหายใจเข้าหายใจออกตรงนั้นกระตุกบ้างตรงนั้นตึงเครียดบ้างตรงนั้นเจ็บบ้างตรงนี้ปวดบ้างมีเรื่องร่างกาย นี่เราก็เห็นมันว่าเออนี่มีเรื่องร่างกายนะร่างกายนะมันเจ็บมันตรวจขึ้นมามุนชาขึ้นมาบางเอานี่เวทนานะเวทนานะถ้ามันเห็นมันรู้มันเข้าใจอย่างนี้มันก็เฉยเฉยเจิตอ่ะจิตก็ไปยินยีไล่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เข้ามาใกล้เข้ามาที่นี่ใกล้เข้ามาอีกแล้วจิตมันก็นึกคิดนั่นบ้างปรุงแต่งนี่บ้างเอาเรายังห้ามมันไม่ได้เนี่ยเพราะมันรวดเร็วมากอ่ะเราก็เห็นอีกเอ้ามันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ได้ใช่ของเราอะไรเลยอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมันท จิตมันยังเร็วอยู่สติเรายังยังอ่อนสติของเราไม่ค่อยได้ฝุกฝนอบรมจิตมันเร็วมันก็ทะเลถลายไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปโน่นเรามีห น, น, น้าที่รักษาจิตไว้มีสติรักษาจิตไว้คุมจิตไว้นี่แหละทาตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วแล้ ว, ลวยังอื่นอ่ะอย่างอื่นเนี่ยที่ไปทํานื่นทำนี่อ่ะมันก็ยังห่างไกลจิตนี่ใช่ไหมแก่นสารสาระของพระเจ้าคําสอนพระเจ้ามันตรงเข้ามาหาจิตนี่มารักษาจิตนี่ถ้าเราไปทําทอย่างอื่นน่ะห่างไกลไหม มาบูชากับบูชานี่แหละปฏิบัติบูบชาเขามาฮาัแก่นนี่ถ้าประโยชน์ท่านก็คือว่าในเมื่อเราสํารวมแล้วเราไม่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเขาเห็นเรานั่งสมาธิภาวนาสํารวมจิตเขาเคารพเขาเรียกว่าเขาสํารวมขึ้นมาบ้างนี่เป็นประโยชน์ต่อเขาอีกหรือว่าเท้าเราบรรลุมรรคผลเป็นห่วงบุญเป็นกุศลมหาศาลเลยพู้เจ้าเรียกว่าเปห่วงบุญห่วงกุศลแค่พระโสดาบันเนี่ยใครมองเห็นแล้วเคารพ เขาลบนับถือยนึ่กับบุญมากมายมหาศาลแล้วหรือว่าถ้าหาว่าเราไม่มีทุกข์ไม่ผลจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงฝั่งพระนิพพานเรียบร้อยแล้วถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกับผู้เจ้าแล้วแค่เขาเห็นเขารู้สึกเขาลบสทัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแค่นี้บุญเขาก็มากมายมหาศาลเขาทําบุญด้วยเล็กๆน้อยๆบุญเขาก็ยิ่งใหญ่มหาศาลนีประโยชน์ท่านอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ท่านตามลําดับลําดับอ่ะเรานิ่งเราสงบเยือกเยน็นเขาสงบเยือกเย็นตามไปด้วย จิตขอเขากําลังสั่นสายเขาเห็นเราสงบนิ่งเขาสํามรวมเข้ามาช่วยเขาได้นี่มันการกระทำของเราเนี่ยมันก็ช่วยเหลือคนอื่นได้โดยไม่ต้องบอกต้องสอนก็ได้แต่ถ้าหาว่าเราเออมีใครพอที่จะเราอจะบอกสอนได้เขายินดีทจะเต็มใจฟังและเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่เขาประโยชน์ท่านก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกมันก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเราว่าเราอยู่แบบไหนเราควรจะทําตัวแบบไหนกับใครอยู่ตรงไหนที่ไหนมันสมควรยังไง นี่มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหตุผลด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าจิตของเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนแล้วเราสามารถที่จะทํำยังไงก็ได้ที่มันเห็นสมควรที่มันเหมาะเหมาะควรเกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ตนเองเกิดคุณประโยชน์แก่คนอื่นมันมุ่งอยู่อย่างนี้ไอ้จิตที่จะไปคิดลายบุ่นไวน์มันเสียเวลามันมันมารักษาจิตเรานี่พอรักษาจิตได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนกับอะไรอะไรควรทําก็ทํา ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอ ย, อย่างนี้แหละเนี่ยมันก็สอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าตรงกับคําสอนของพระเจ้าแล้วแล้วรีดยิ่งมาอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเนี่ยพระบรคลกายของพระเจ้าก็มาแตกดับสลายที่นี่แต่กรั้เนื่อมจากว่าพราะองค์หมดกิเลสแล้วมันไม่มาเกิดแล้วจึงเรียกว่าดับขันดับขันดับขันพระปริณิพัฒนหมายว่าไม่เอาขันมาเกิดอีกจิตดวงนี่ไม่ไปเอาขันไม่ไปสร้างร่างกาย สร้างขันห้าขึ้นมาอีกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วจะพอได้ยังไงพอก็ต้องมาปฏิบัติน่ยมาสำรวจจิตเอาไว้สำรวจจิตเอาไว้เพระไอ้จิตเรานี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุเจ้าไม่ให้สนใจตรงนี้เลยเน่ยให้มาสนใจแค่ว่าเกิดแล้วมันมีทุกข์นี่มันมีทุกข์นี่มันมีความหลงนี่พอมีความหลงก็เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็หลงหลงแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยกลับมาเกิดก็ความหนักของความหลงกับพายทุกข์วนเวียน แก่ลไปตายอีกกลับมาเกิดอีกทุกอีกหลงอีกเรื่องงู้แล้วก็หลงแล้วก็ทุกแล้วก็ตายเดียังจะพอใจมาเกิดอีกเอาก็เกิดไปสิใครอย่าพอใจได้เกิดก็เกิดสิเกิดแล้วหลงไหมหลงทุกไว้ทุกตายอีกกลับมาเกิดอีกหลงไหมหลงทุกไหมทุกแล้วก็ตายอีกเอาสิใครอย่าเมียนไหวได้เกิดก็เอา แล้วเป็นเศรษฐีเศรษฐีาตายไหมตายตายหลงไหมหลงกลับมาเกิดอีหลงไหมหลงทุกไหมทุกตายไหมตายอีกเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลงไหมหลงทุกไหมทุกตายไหมตายเกิดอีเป็นกษัตริย์อีหลงไหมหลงทุกไหม้ทุกตายไหมตายตายแล้วเกิดอีเอาสิใครอยากเกิดอยากตายเป็นเทวดาเกิดแล้วตายไหมตายอีก ตัวดีตายอีกเป็นพมเกิดตายไหมตายอีกตัวดีตายอีกเป็นสัตว์นรลกเกิดตายเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเกิดตายเหมือนกันเปรตอสุรกายเกิดตายเหมือนกันหมดแล้วมีอะไรดีบ้างการเกิดเนี่ยยังอย่าพอใจอยู่ไหมวีรากี่พระเจ้าอุบัติขึ้นมานี่คือให้พ้นพ้นพอแล้วไอ้เวียนว่ายตายเกิดไอ้เนี่ยที่ว่าดูเนี่ยคือมาดูของที่มันไร้สาระไม่มีแก่นสารเกิดดับเกิดดับในตัวเราซะก่อน มองเข้ามาข้างในร่างกายอันนี้ถึงเวลาก็ต้องแตกดับสลายไปมันไม่ใช่เราจริงไม่ใช่ของเราที่แท้จริงของเราเชื่อเข้าเอยๆถ้าใครมีความเข้าใจตรงนี้ก็รักษาร่างกายเอาไว้เพื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้จิตใจมันรู้มากขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นให้มันหายโง่หายหลงสักทีหนึ่งให้มันพ้นไปจากวัตะที่มันไร้สาระไร้แก่นสารวตะทุกอันนี้เสีย เป็นอิสระสะทีนึงคราวนี้ก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปทนเกิดทนแก่ทนเจ็บทนตายอีกต่อไปแล้วเพราะฉันจึงให้สำรวมกิจใจดีๆอาศัยสถานที่ของพระพุทธเจ้าอาศัยสั ญ, ญลักษณ์คือพุทธ ป, ปริมิพานนะพระพุทธลูกแสดงท่าปริมิพานให้เราดูก็คือให้เราน้อมนึกถึงความจริงว่าออแม้พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะ ก็ต้องสุดท้ายต้องร่างกายก็ต้องแตกลับสลายไปพอตอนพระ อ, องคิบัติขึ้นมาในชาตินี้ก็เหมือนกันพระ อ, องค์ก็ยังหลงอยู่แต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าหาความจริงเพื่อจะออกจากทุกข์ออกจากวัตาสงสารจิตใจมันต่างกันตรงนี้นะเมือเรามาที่นี่เราก็เอาสิ รวบรวมกำลังจิตของเรามาสิพระเจ้ายังไม่พ้นทุกข์พระองค์ก็สแสวงหาหน่เอาเรามาแล้วเรากระตุ้นเตือนจิตเราสิว่าเราจะปฏิบัตามพระ อ, องค์เพื่ออกจากทุกข์ตามพระ อ, องค์ไปให้ได้มันถึงจะคุ้มค่ากับการมานะหลังจากนั้นพระองค์ก็ออกทรงผนวดออกสแสวงหาโมฆะธรรมถ้าเรามาแล้วก็ระลึกได้ว่าเออมหาบุรุษคนนี้เองนะที่ตอนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็หลงเหมือนกันนะ่ะ เศษเสวยกามาสุขบำรงบรรเลงปนเปื้อทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วด้วยจิตที่มุ่งมัน่นก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออทํายังไงจะพ้นจา ก, คว า, ก, ค, วากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่งี้แล้วแล้วนั่นเล่าอยู่งี้แล้วก็จะได้สอนคนอื่นให้รู้ตามบ้างมีแตกต่างกันตรงนี้และวงก็คงค้นคว้าจริงจัมุ่งมั่มนบากบันจนพบทางและคือตัดสรู้แล้วรู้ทางแน่นอนแล้วไม่มีทุกข์ในใจแล้ว ก็ระทานคำสอนตลอดเวลา45ปีซึ่งยังทรงผูชนอยู่เที่ยวจาริกออกเผยแผ่ธรรมแล้วก็เตือนสาวกด้วยว่ า, าพวกเราช่วยกันออกเผยแผ่ธรรมนะออกไปประกาศภูมิจันนะเดี๋ยวคนที่มีวาสนาบามีควรจะรู้ถ้าเราไม่ออกไปสอนเขาไปบอกเขาบอกทางเขาเดี๋ยวเขาก็จะเสียโอกาสที่เรามานี่เราเอามาสร้างโอกาสให้แกเราเองว่าโอนีนะพบแล้วนะว่าที่นี่ก็เป็นคาสอนซึ่งสอนให้เราเนี่ย ปโยชน์เดียวแต่ว่าคุมหมดเลยบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอก็คือมาปฏิบัติจิตนี่แหละมาส้ำรวนจิตนี่แหละไม่ประมาทให้จิตของเราไหลไปมาตุ้นเตือนให้เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้พ้นตามพระเจ้าไปาสุดท้ายร่างกายของพระ อ, องค์ มันก็หนีกดความจริงไม่พ้นพระค์ ก, ก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนกันเนี่ยถ้าวงพราะวรกายแต่ธรรมะขององค์ยังอยู่ธรรมะวินัยที่เราตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนเราตา <c oughs> ถาคตเธอจง <c oughs> เพียนประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจให้สิ้นเชิงเถิดคล้ายๆอย่างนี้นะท <c oughs> ทุกให้สิ้นหมดจดสิ้นเชิงถ้าใครมาแล้วก็ตระหนักอย่างนี้นะ วูนี่ตรงกับพระประสงค์ของเจ้าแน่นอนแล้วไม่เสียเที่ยวที่มาแล้วเอาให้สัมรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเอาสัมรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะนี่แหละเพื่อนลวมเกิดแก่เจ็บตายของเราอะ่ะเขาก็มีทุกข์เหมือนกันเนี่ยก็แสดงหาทางดับทุกข์แต่เขาคิดว่าทาตามที่เขาทานั่นแหละ ก็จะดับทุกได้หรือว่าอย่างน้อยก็ให้มันเดินใกล้ทางที่จะออกไปสู่ความดับทุกเนี่ยแต่แก่นแท้ของคำสอนของเจ้าก็คือรงเข้ามาหาจิตนี่ยทำอะไรก็ตามพิธีกรรมอันนั้นอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตนี่เข้ามาหาจิตนี่กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็เพื่อยังจิตของเราให้มีความสงบร่มเย็นอยู่ภายในนี่ เกาคำสอนเสริญคุณของพระธรรมก็เพื่อจิตของเรานี้ให้มันดีงามขึ้นมามีความสงบร่มเย็นอยู่ภายในเก้าคําสอนเสริญคุณของพระสงฆ์ก็คือ น, นี่แหละเข้ามาหาเพื่อรักษาจิตเรานี้ให้พวกเราสงบร่มเย็นสวดมนต์ส ว, ด, มมสวดพร อ, อะไรก็แล้วแต่ก็คือให้จิตเรานี่แหละสงบร่มเย็นมีความสุบความสบายไม่จิตเราเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าแก่นเมื่อใครเข้ารู้รู้จักแก่นสารสาระที่แท้จริงของคําสอนของพระเจ้าของพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็ตรงมารักษาจิตนี้ อะไรเกิดขึ้นก็เราก็รู้แล้วเนี่เข้าใจแล้วมันก็เพราะว่ามันก็มีทุกข์ด้วยกันน่ะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอ่ะเดี๋ยวก็ตายด้วยกันอ่ะระหว่างที่ยังไม่ตายมันก็มีทุกข์ด้วยกันเนี่ยก็มาแสวงหาทางออกจากทุกข์เหมือนกันอ่ะทีนี้ทางของแต่ละคนมันก็ยังไม่เท่ากันเพอินทรีย์มันไม่เท่ากันอ่ะเพราะบางคนก็อาจจะเอาโน่นเอานี่มาบูชาเพื่อหวังที่จะให้จิตเรามีความสงบมีความสุขได้บุญบุญมาช่วยทําให้จิตใจสงบลมเย็นขึ้นมาบางคนก็ต้องไป ทำนู่นทำนีอะไรมันก็สารภาพอะแต่ว่าแก่นสารที่แท้จริงคืออะไรอะรักษาจิตได้ไหมตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงจิตเราอยู่ยังไงนี่สุดท้ายแล้วสำนวมจิตใจดีๆนะสุดท้ายแล้วใครจะอาศัยสถานที่นี้กระตุ้นเตือนจิตของเราให้ตรนะหนัก ว่าเราควรจะทํายังไงกับชีวิตของเราอีกต่อไปจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องหาทางออกแล้วจะต้องดับทุกข์ในจิตใจแล้วถ้าใครมุ่งตรงมาหวังที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจเ อ, เ, อเองให้ออกจากทุกข์หรือกระตุ้นได้แล้วจิตพอใจแล้วว่าเออเข้าใจแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็สัญญาตั้งปณิธานให้แน่วแน่ ตั้งปณิธานก็คือจิตเราแน่วแน่จิตของเรามั่นคงแ น, แน่วแน่ยิ่งเป็นหนึ่งได้ยิ่งดีจากนั้นอาศัยจิตที่แน่วแน่นั้นนี่แหละคือปณิธานนี่แหละคือคาอธิษฐานหมายถึง อ, อธิษฐานจิตใช้จิตที่มีกำลังของสมาธิทำจิตให้แน่วแน่แล้วก็ประกาศความรู้สึกในใจเราออกมาให้ตัวเองเนี่ยรับรู้แล้วก็จะมีสิ่งที่เขารับรู้ด้วย เยเพราะอันนี้มีพลังมากมีอนุภาพมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าพระเทวดาทั้งหลายซึ่งอยู่ในนี้<ม>เขาจะรับรู้ความในใจของเราเขาจะได้ยินเหมือนกับมันมันเข้าไปดังอยู่ในจิตของเขาเขารู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออคนนี้นี่ได้ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าแล้วหรือปรารถนาอะไรแล้วเนี่ยเขาจะรับรู้แล้วเขาจะร่วมอนุโมทนาทันทีเลยนะเพราะเขาก็มากม มีเป้าหมายอันเดียวกันก็มีเยอะมากมายมหาศาล mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติตามผู้ใหญาเขาก็โมโนทนาชื่นชมยินดี mm hmm. คอยปกปักรักษาคุ้มครองก็มีนอกจากนั้นก็ mm hmm. รวบรวมกําลังบุญของเรานะ mm hmm. บุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ mm hmm. เนี่ย mm hmm. บุญที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เราทิฏฐ้แก่ mm hmm. เราเทวดาทั้งหลาย ที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ขอให้ยินดีรับอาบุญของข้าพเจ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปแล้วอะไรที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าก็ขอให้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อไปจากนั้นก็รวบรวมกำลังบุญของเรานะตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันเลยนะขออำนาจพระพุทธเจ้าอานาจพระธรรมอนาจพระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาข้าพเจ้าให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่มีส่วนในการจัดการให้มีการมา ปฏิบัติอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าชงบำเพ็ญสมณ ก, กิจและก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีส่วนร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเราให้บุญแก่ญาติเทวดารัากษาเจ้ากรรมในเวรของบุคคลเหล่านั้นรวมทั้งให้บุญแก่บุคคลเหล่านั้นด้วย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนแก้ปัญหารวมกันเรามาด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนกับว่าทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมดตั้งแต่หัวจะลดเท้าบางส่วนก็เป็นตาก็ส่วนดูส่วนเห็นไปส่วนมือส่วนอะไรก็หยิบจับโน่นนี่ไปเท้าก็พาเดินทางไปนู่นไปนี่ไปแต่วิญญาน้อยใหญ่ภายในร่างกายเราก็ ช่วยทำนูน่นทำนี่มีงานมีการหมดเพราะฉะนั้นทุกส่วนมีความสําคัญหมดถ้าเรามองเห็นว่าเออทุกชีวิตที่มาด้วยกันมีความสําคัญด้วยกันเราก็จะรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่รู้สึกว่าจะต้องมาแข่งขันมาอิจฉาริษยากันมาชิงชังลังเกียจกันต่างคนต่างก็ไปตามกรรมต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อสแสวงหาทางออกจากทุกข์เหมือนกันเนี่ยมาด้วยกัน บุญกรรมที่เราเคยร่วมทํากันมามันก็ต้องมีมากมายมหาศาลส่วนส่วนที่มันบั่นทอนกันบ้างมันก็ต้องมีบ้างแต่เราอาศัยว่าเอาเหตุการณ์นนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราแก้ปัญหาจิตใจเราตั้งใจแต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องพยายามที่จะแก้ไขจิตของเราพัฒนาจิตของเราให้เดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าไปจนกว่าจะพ้นจากทุกในวัฏสงสารเนี่ยอันนี้เราจะได้ประโยชน์จากนั้นก็อิทธิพลต่อไปอีก ขอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดินบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้นี่เราเราอาทิตไปแล้วเอาทิศอีกก็ได้ให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านในเรือนในที่ทํางานร้านค้าบริษัทคลินิกโรงงานโรงแรมไร่นาสวนที่ดินในสมบัติประสถานทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้า อยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับอาบุญของข้าพเจ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปด้วยเถิดเมื่อรับบุญแล้วสมควรช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าก็ขอให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะการเดินทางขอให้มีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยมีความสะดวกมีความคล่องตัวมีความลงตัว อุปสรรคและปะัญหา <c oughs> ก็อย่าได้มีแก่พวกข้าพเจ้าเลยจากนั้นก็สำรวมจิตใจดีๆ <c oughs> ทำความมู้สึงเมือนบุญออกไปจากใจเราดนะ้ <c oughs> เราอยากอุทิศบุญเพิ่มเติมไปที่ไหนเราอุทิศบุญได้เลย <c oughs> เอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะกราบพระนะคบึบเขาขึ้นเลยนะ กราบด้วยใจเลยนะกราบด้วยใจนะไม่ให้ใจวอกแวกไปทางไหนนะกราบพร้อมด้วยกายาพร้อมด้วยใจนะเอาสํารวมยกมือขึ้นเอากราบกราบสามหนนะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์เป็นโอกาสสุดท้ายนะสวดมนต์ย่อๆอย่างที่เราเคยสวดนะลําลาภุมตะเจ้านะอาราหังสัมมาสัมพุทโธอะกวาวะ ใจสวบลมเย็นขึ้นมาแล้ว